นั้ น, น, นพิภพแห่งเท้าสักกะเทวราชสํำแดงอาการร่าร้อนเท้าสักกะเทวราชทรงอาวัชนาการก็ทรงทราบ ก, การนั้นจึงตรัสเรียกพระวิสุกรรมเทพบุตรมาตรัสว่าแน่พ่อวิสุกรรมท่านมหาบุรุษทั้งสองออกจากบ้านใครจะบวชเป็นฤาษีเข้าสู่หิมมวันตะประเทศควรที่ท่านทั้งสองนั้นจะได้ที่อยู่ ท่านจงเนรมิตรบรรณศาลาและบรรพชิตบริขารเพื่อท่านทั้งสองนั้นณภายในกึ่งเสียงกู่ตั้งแต่มิฆะสัมมตานทีเสร็จแล้วกลับมาพระวิสุกรรมเทพบุตรรับเทวบัญชาแล้วไปจัดกิจทั้งปวงโดยในที่กล่าวแล้วในโมคะปักขะชาดกไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงไม่เป็นที่ชอบใจให้หนีไป แล้วเนรมิดมักขาเดินผู้เดียวแล้วกลับไปที่อยู่ของตนกุมารกุมารีทั้งสองเห็นทางนั้นแล้วก็เดินไปตามทางนั้นถึงอาสมบททุกกุระบันดิตเข้าสู่บรรณสศาลาเห็นบรรพชิตบริขารก็ทราบว่าเท้าศักกะประธานแก่เราจึงเปลื้องผ้าสาดกออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งผมผืนหนึ่ง พาดหนังเสือบนบ่าผูกมนทนชดาทรงเพศรือสีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นรือีนีรือศีรือศีนีทั้งสององนั้นเจริญเมตตาชั้นกามาผจรอาศัยอยู่ในที่นั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งดาบดดาบศินีทั้งสองนั้น บรรดาสัตว์เหล่านั้นไม่มีสัตว์ไรๆไรเบียดเบียนสัตว์ไร่เลยฝายปาริกาดาบสินีลุกขึ้นแต่เช้าตั้งน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมบททำกิจทั้งปวงดาบสและดาบสินีทั้งสองนั้นนำผลไม้น้อยใหญ่มาฉันแล้วเข้าสู่บนนารรณาสลาของตนของตนเจริญสมณธรรมอาศัยอยู่ในที่นั้นนั่นแล เท้าสักกะเทวราชสเสด็จมาสู่ที่บำรงแห่งพระมุนีทั้งสองนั้นวันหนึ่งพระองค์ทรงพิจารณาเห็นอันตรายแห่งพระมุนีทั้งสองนั้นว่าจักสุทั้งสองข้างของท่านทั้งสองนี้จักมืดจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุ ก, กูลบัณดิตนมำส ก, การแล้วนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งตรัสอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ อันตรายจากปรากฏแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะได้บุดไว้สำหรับปฏิบัติท่านขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกุละบัณดิตได้สดับคํคำของเท้าสักกะเทวราชจึงกล่าวว่าเท้าสักกะพระองค์ตรัสอะไรเราทั้งสองแม้อยู่ท่ามกลางเรือนก็หาได้เสพโลกธรรมไม่เราทั้งสองละโลกธรรมนี้ เกลียดดุดกองคูดอันเต็มไปด้วยนอนก็บัดนี้เราทั้งสองเข้าป่าบวชเป็นฤาษีจะกระทำกรรมเช่นนี้อย่างไรได้ท้าสักกะเทวราชตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นเป็นแต่เอามือรูปท้องปาริกาดาบสินีเวลานางมีระดูทุ ก, กุลบันดิต ร, รับว่า อย่างนี้อาจทำได้เท้าสักกะเทวราชนมัส ก, การทุ ก, กุลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนปายทุกกุลบันดิตก็บอกนางปาริกาให้รู้ตัวแล้วเอามือลูกท้องนางในเวลาที่นางมีระดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกถือปฏิสนธิในท้องนางปาริกาฤนีการล่วงไปได้สิบเดือน นางคลอดบุตรมีผิวพันธ์ดั่งทองคำด้วยเหตุนั้นเองมารดาบิดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามกุมารเวลาที่ปาริกาดาบสินีไปป่าเพื่อหามูลแลผลาผลนางกินนรีทั้งหลายที่อยู่ภายในบรรพธได้ทำหน้าที่นางนมดาบดดาบสินีทั้งสองสงน้ำพระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณสาลาแล้ว พากันไปหาผลไม้น้อยใหญ่ในขณะนั้นนางกินนรีทั้งหลายอุ้มกุมารไปส่งน้ำที่ซอกเขาเป็นต้นแล้วขึ้นสู่ยอดบันพฤประดับด้วยบุพชาติต่างๆแล้วฝนหรอรดานและมโนศิลาเป็นต้นที่แผ่นศิลาประให้เป็นจุดที่น่าผากแล้วนำมาให้ใสายาติในบรรณสาลาฝายนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนม การต่อมามารดาบิดาปกปักรักษาบุตรนั้นจนมีอายุได้สิบหปีให้นั่งอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันไปป่าเพื่อหาหมูลแลพลาผลในป่าลำดับนั้นพระมหาสัตว์ทรงคิดว่าอันตรายอะไรๆจักพึ่งมีแก่มารดาบิดาของเราในการบางคราวจึงทรงสังเกตทางที่มารดาบิดาไป